สัทธาบัน จากรูว้วมวงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูต้นต่ตสู่แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแด่งบานงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้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 สองพันสิบก้าหรือสบอคมีการถแถลงที่ที่ทาเนียบนาะยแพทย์ทวีสินวิษ น, นุโยทินโคศกก็อบอกว่าตอนนี้นในรัฐบาลมีการนำเอาแอปไทยชนะนำมาให้ผู้ประกอบการตามห้างสรรพสินค้านะมาใช้แล้วก็คนประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการในห้างก็ต้องมีการมา โหลดแอปนะครับลงมานะในโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อที่จะมีการเช็คอินเช็คเอาท์เวลาเข้าไปใช้บริการต่างๆจะได้ควบคุมกันได้อะไรต่างๆนี้ก็บอกว่าตอนนี้นี่มีร้านค้ามาลงทะเบียนประมาณ 6,7 0 0พันร้านนะครับแล้วก็มีคนใช้งานแอปไทยชนะนี่ประมาณ 5,7 ล้านนกว่าคนซึ่งก็มีการ ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆนะในแต่ละวันเนี่ยนะครับนะก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปแลวครับว่ า, ามีกิจกรรมไปคนเข้าใช้บริการอะไรตามสถานที่ตามห้างตามอะไรต่างๆอย่างไรเนี่ยครับก็ติดตามผ่านแอปได้นะครับซึ่งส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นการล้วงข้อมูลส่วนตัวของของประชาชนนะซึ่งขัดกับ หลักของของกฎหมายนี่ในส่วนนี้ก็ทางสบคก็บอกว่าในส่วนของแอปไทยชนะนี่ก็จะเก็บข้อมูลเช็คอินของประชาชนจะเก็บไว้ประมาณ2เดือนก็จะลบทิ้งนะว่าอย่างนั้นนะครับนะก็จะไม่ได้เอาข้อมูลมาใช้ในทางอื่นซึ่งหลายคนก็กังวลนะครับวา่าการเก็บเก็บข้อมูลกิจกรรมของประชาชนนะติดตาม ตัวนี้อาจจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนตัวละครับนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ตรงนี้ก็ต้องมีการถกเถียงกันนะครับว่าว่าอาจจะเป็นอย่างไรสําหรับการใช้แอปในการที่จะใช้ห้ามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะครับนะในส่วนของอาทางทางรัฐก็อยากจะมีการควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นการป้องกันว่าผู้ป่วยผู้ติดเชื้อไป อยู่ที่ไหนบ้างนะครับจะได้ติดตามได้นะถ้ามีผู้ติดเชื้อไปไปแพร่เนี่ยอาจจะสามารถที่จะติดตามกิจกรรมได้และวป้องกันได้นะ ก, ก็มีความเห็นกันคนละแบบส่วนชาวบ้านก็กลัวในส่วนของอาทางรัฐเนี่ยจะติดตามตัวนะครับ จ, จะล่วงข้อมูลส่วนตัวนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูแลครับว่าแต่ละแต่ละส่วนคิดอย่างไรแล้วก็ ใ น, ในส่วนนี้ในทางสบคก็บอกว่าถ้าผู้ป่วยในยลดน้อยลงก็ จ, จะมีการผ่อนปลนนะมาตรการสำหรับพวกร้านค้าพวกสนามมวยพวกร้านนวดแผนโบราณอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต่อไปก็อาจจะต้องมีการผ่อนคลายเพราะว่าถ้าสถานประกอบการเปิดไม่ได้ไประชาชนก็เดือดร้อนนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตกงานอะไรต่างๆกันมากในส่วนของ สภาความมั่นคง ส, ม, สมชเนี่ยนะครับผลเอกสมศักดิ์ก็เล ข, ขาธิการของสภาความมั่นคงก็เปิดเผยบอกว่าวันที่21พฤษภาคมจะมีการประชุมพิจารณ า, ว, าว่าจ ะ, ะต่ออายุพลกรชุกเฉินหรือไม่หรือว่าจะยุตินะเพราะว่าในส่วนของประชาชนหรือสื่อนะหรือส่วนของหลายๆส่วนนี้ก็เรียกร้องให้มีการ ยุตินะยกเลิกพกรกชุกเฉินนะใช้แค่กฎหมายคุ้มครองป้องกันโรคติดต่อก็พอแล้วนะครับและซึ่งตรงนี้ก็มีภาควิภาควิจารณ์ท้งสงมชกำลังพิจารณากันอยู่ประเมินสถานการณ์กันอยู่ก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันกันต่อไปส่วนในเรื่องประเด็นที่กระทรวงกรเกษตรนะครับเสนอให้รัฐบาลนะ เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเกษตรก ร, ะ ร, กรนะครับซึ่งก็ประมาณ10ล้านลายนะในวงเงิน 1,50 0 0 0ล้านนะครับซึ่งตรงนี้นี่นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเกษตรและสากลนะครับก็มีการถแถลงบอกว่าการเจียวเยียวยาเงินลายละ 5,000 บาท3เดือนก็ห5 0 0 0้านะครับกนะนะ็ตรงนี้นี่ก็มี ก็จะบอกว่าจะเยียวยาเกษตรกรประมาณ10ล้านลายนะครับถึงมีอยู่3กลุ่มคือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรนะในการผลิตปี 62-63 ถึงกนแหละครับนะก็ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปลูกพืชการประมงประสุสัตว์มอนไม้ยางพา ร, รายาสูบไรอ้อยนะครับซึ่งก็จะมีการชดเช ย, ยเยียวยากันไปส่วนที่มีการสอบถามว่า ถ้าข้าราชการนะมาลงทะเบียนทําการเกษตรจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ในผลการประชุมคลเรอมอร ก, ก็ก็มีการให้เยียวยาได้นะครับในทางกระทรวงเกษตรก็ยืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของข้าราชการที่มาทําการเกษตรบอกว่ามีการมาลงทะเบียนกันไว้หลายหมืนห่นรายก็จะได้รับการเยียวยาในรอบนี้ไปด้วยแหะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วน ของสื่อกวิภาควิจารณ์นะเพราะว่าข้าราชการก็ได้รับรายได้การเยียวยากันในหลายทางนะครับในขณะที่ประชาชนนี่ก็ยังรับการเยียวยาไม่ทั่วถึงก็ต้องว่ากันไปนครับต้องดูตรวจสอบกันไปนะครับรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ออยู่่ทีเธไม่เคยจะเพลอแม้เสี้ยวนาทีใจฉันยังมั่นคงต่อเธอคนนี้รันั้นที่มีไม่เคยนอน ผ่านเข้ามาอย่าห่วงเลยนะขออย่ากังวลให้เธอจงมั่นใจรักที่มากล้นขอเพียงเราสองคนไม่ลงทางใจจะมีแต่เรา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 จะมีแต่เราจะมีแค่เราจะเป็นเหมือนเงาไม่ว่าแห่งหนใดจะมีแต่เราเปรียบเป็นเช่นลมหายใจผูก พ, พันมีกันและกันตลอดไป ก็ยังรักเธอส ม, มัครเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตามากมายแค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอตอบด้วยใจวัน ในันมาพูดมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับก็ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะอย่างของกระทรวงศึกษาที่เป็นทีวีภาควิจารกันมากเลยทีเดียวนะครับในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ ผู้ปกครองนะฮะมานักเรียนมาเรียนอยู่ที่บ้านนะอาจจะมีการถ่ายทอดทางดาวเทียม DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชุปธรรมกใ็ในหลายพื้นที่ยังยังรับไม่ได้นะผ่านผ่านดาวเทียมหรือบางบางแห่งก็จํานวนทีวีจะไม่เพียงพอกับเด็กในบ้านเพราะเรียนกันอยู่คนละคนละชั้นเรียนนะครับหรือว่า การใช้แอปผ่านมือถือก็ดูไม่ได้เน็ตก็ติดขัดนะฮะมีมีปัญหาหลายๆอย่างนตรงนี้นี่ก็พยายามที่จ ะ, ะแก้ไขกันในส่วนท้องกระทระวงก็บอกว่าเป็นการทดสอบระบบนะครับยังยังไม่ได้เริ่มเรียนกันจริงๆจะเริ่มเรียนกันจริงๆก็คงวันที่1 ก, ก, กรกฎาคมศนะกนี้นะครับนะเป็น ม, มีการเปิดเผยกับทางทางกระทรวงชี้แจงมาแล้วก็ ในส่วนของรัฐมนตรีศึกษาในนัฐพลทิปสูวรรณก็เปิดเผยว่ากรณีที่คณะกรรมธิการการศึกษาของสภาเสนอให้มีการเปิดเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็คือไม่ใช่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับน่าจะเปิดเรียนได้เลยนะครับในเดือนมิถุนายนอะไรต่างๆนี่ก็จะได้ นักเรียนก็จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์ซึ่งไม่พร้อมนะครับในหลายส่วนคนยากคนจนก็เข้าไม่ถึงก็อยากจะให้มีการเปิดเรียนตามปกติกันไปก่อนส่วนโซนพื้นที่สีแดงก็ จ, จะรอไว้เดือนกรกฎาคมก็กําลังพิจารณากันอยู่นะครับในส่วนของของกระทรวงเพราะว่าอย่างที่บอกเราว่าการเรียนออนไลน์เรียน ผนทีวีนี่ก็คงไม่เท่ากับการเรียนในในชั้นเรียนนะครับซึ่งึงซึ่งมีความพร้อมนะนักเรียนมีส่วนร่วมผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูว่าจะแก้ไขปัญหากันกันอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของอการฟื้นฟูการบินไทยนะครับนะจากการเปิดเผยของอนายศักดิ์สยามชิดชอบรัมตีว่าการกระทรวงคมานาคมนะ พร้อมด้วยนายทวารเสรเนียมรัมตีช่วยมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบอร์ดการบินไทยนะครับนะเมื่อวันที่20พฤษภาคมหารือเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับหลังที่คมอมมีมติที่จะให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับนะกิจการนะครับแล้วก็มีการาสั่งให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้น ที่เป็นหุ้นข้างมาก 51% ลงมาเหลืออยู่แค่ 47% นะมีการขายหุ้นออกไปก็จะทำให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจนะในในในในประเภทที่หนึ่งะครับนะก็มาเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทำให้เอกชนมาถือหุ้นก็จะให้มีกระบวนการฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ในกระบวนการฟื้นฟูภายใต้ คำสั่งสารล่มละลายกลางก็จะดําเนินตามแผนที่วางไว้นะครับคือคอมอมีมติเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะก็จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนนะเพื่อนําเรื่องร้องเรียนต่อสารเพื่อพื้นฟูกิจการครับซึ่งตรงนี้ในรัฐมนตรีเปิดเผย อ, อย่างนั้นแล้วก็จะดําเนินการภายในเดือนกันยายนศกนี้นะครับซึ่งตรงนี้หลังจากนั้น คณะทํางานก็จะไปเจราจากับเจ้าหนี้ขอพักการชําระหนี้นะมีการปรับโครงสร้างขององค์กรนะภายใต้คําสั่งของศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะในการที่นะกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งมีอํานาจในการติดตามดูแลดําเนินกระบวนการฟื้นฟนูทั้งหมดนะครับซึ่งนะตรงนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับนะ แล้วก็ตรง น, นี้ก็จังจะต้องมีการเสนอกรรมการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาเพื่อที่จะมาะฟื้นฟูกิจาการดังกล่าวนี่ก็เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีคมนาคมนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องดูและมีการเปิดเผยว่าปัจจุบันหนี้สินของการบินไทยอยู่ที่ประมาณ2อง0 0 0ห้าหนล้านนะเป็นหนี้ภายในประเทศประมาณแสน0 0 0หมื่ล้านบาท และเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นล้านบาทโดยห น, นี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเช่าเครื่องบินนะครับซึ่งตรงตรงนี้นี่ก็เป็นการเปิดเผยมาก็คงจะต้องมีการดำเนินการปรับปรุงนะครับนะโครงสร้างเพื่อที่จะให้ให้ได้กาไรนะครับนะเพราะว่าการในขณะที่สายการบินเอกชนสายการบิน ต่างๆนี่มีมีกําไรกันแต่ว่าการบินไทยขาดทุน 2-3 ปีนี่นับหมื่นล้านนะซึ่งตรงนี้นี่อาจจะต้องมีการดูแหะครับแต่ว่าจําจนวนเจ้าหน้าที่จํานวนคนนี่อาจจะต้องมีการลดหรือไม่นะครับหรือว่ า, าเครื่องบินนะครับอาจจะต้องอมีการจําหน่ายออกไปหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆส า, สายการบินก็เริ่มนะครับที่มีการปรับลด เจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของเครื่องบินเราก็ต้องตามดูนะครับเพราะว่าสายการบินไทยเนี่ยก็เป็นที่จับตามองของหลายๆส่วนนะครับในหลายๆส่ว น, นว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศสามารถที่จะดำรงอยู่ได้นละอุตสาหกรรมก็จะดำรงอยู่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูกันใน ห ล, หลายส่วนนะครับดูกันใน ห, หลายส่วนจากการเปิดเผยของกระทรวงทางธนาคารอมสินนะครับก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยของเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวแล้วครับนะนายชาติชัยยุหนาวีชัยผู้อดนวยการอมสินก็บอกว่าธนาคารเนี่ยประเมินกัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 าทำให้เศรษฐกิจของไทยเรา นะในปนีนี้มีแนวโน้มจะติดลบประมาณ 6.7% นตะครับนะติดลบนะครับแล้วก็เนื่องจากประเทศไทยเราพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวนะและการส่งออกสินค้าในระดับที่สูงมากนะเพราะนั่นแนวโน้มการฟื้นตัวธุรกิจนะหลังจากที่ไวรัสซาไปแล้วนะครับนะอาจจะเริ่มที่จะการระบาดลดลงแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูพิจารณาศึกษาผลกระทบ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการท่องเที่ยวะครับซึ่งเราต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่างนี้มาเที่ยวบ้านเรามากนะครับะจะฟื้นฟูกันกันอย่างไรซึ่งตรงนี้นี่ก็เห็นว่ามีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวของของจีนของเกาหลีญี่ปุ่นนี่กลับเข้ามาเที่ยวได้นะครับนะมีการเปิด แล้วก็จะพยายามที่จะกระตุ้นตรงนี้ให้ให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกให้ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นคงนี้คงจะต้องช่วยๆกันเพื่อฝ่าวิกฤตสํำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุรีเรามาร่วมมือกันเลิศละเลิกสูบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลทา น, านันต้องขอลาท่านมไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Oh, oh, oh. ไม่เคยจะเพลินแม้เสียวนาทีใจฉันยังมั่นคงต่อเธอคนนี้รักนั้นที่มีไม่เคยน้อยลงถึงมีเรื่องราว ผ่านเข้ามาอย่าห่วงเลยนะขออย่ากังวลให้เธอจงมั่นใจรักที่มากล้นขอเพียงเราสองคนไม่ล้มทางใจจะมีแต่เรา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 สนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอขาย